ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตรระปพระปุพพติขาและปุพพติขาวันนานาพระอมาราพิรุกิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรัชนาต่อไปก็จะเป็นเรื่องของทุติยาปาราชิตก็คือในอธินาทานสิกขาบทที่สองความว่า ที่สุดใดรักเองคือว่าใช้ให้ผู้อื่นรักซึ่งทรัพย์ข้าวของที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมีราคาแต่บาทหนึ่งขึ้นไปด้วยบาทในมคตรประเทศที่ตั้งอยู่ณบ้านหรือว่าในปาหรือตั้งอยู่ในน้ำในบกในอากาศในที่ใดใดก็ดีอันมีเจ้าของหวงแหนอยู่ด้วยเถยจิตก็คือจิตที่คิดจะักขโมย โดยอาการแห่งการลักต่างๆคือฟ้องร้องเบียดบังหลอกลวงทเปลียนช่อชิงคมเหงคว้างทิง้งใดๆ็ดีเิกตุนั้นเป็นปาราชิกซึ่งว่าบาทหนึ่งนั้นในบาลีว่าห้ามาตกเป็นบาทหนึ่งในเมืองราชคลึโดยบาลีว่าเตนะโขปนะสมเยนะราชะกะเหปัญจะมาสโกปาโดโหติ ในอรตถกถาว่ายี่สิมาศเป็นกหาปณะหนึ่งในมือราชคลึในครั้งนั้นพระเหตุนั้นห้ามาศจึงเป็นบาทหนึ่งโดยลักษณะนั้นพึงรู้เถิดว่าส่วนที่สี่แห่งกหาปณะเป็นบาทหนึ่งในชนบททั้งปวงก็แต่ส่วนที่สี่แห่งกะหาปณะนั้นพึงรู้ด้วยสามารถแห่งโบราณะนีรกะกหาปณะใช่กหาปณะอื่น มีรุธระดามกะหาพณะเป็นต้นด้วยว่าแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตและอนาคตท่านก็บัญญัติทุติยะปาราชิตด้วยบาปส่วนที่สี่แห่งนีละหาพณะนั้นทั้งสิน้นโดยปาฐะว่าปัญจมาสโกปาโดติตดาราชะกะเหวีตติมาสโกกหาปโนโหติตัสมาปัญจ มาตะโกปาโดเอเต น, น, นะรักคเนนะสับะชนะประเดตุกหาปนัสสะจะตุโธภาโคปาโดติเวดิตโบโสจโขโปรานัสสะนีลักหาปนัสสะวะเสนาะณนะอิตรเรสังรุทธะดามะกาดีนังเตนะหิปาเดนะอติตาบุตธาปิปาราชิกังปัญญาเปตุง อนาคตาปิปัญจะเตสันติก็แลกรารวินิฉัยบาตมมคตลงเป็นเงินในสยามประเทศนี้ตามอัตถกถาและดีกาจะกล่าวในเบื้องหน้าในที่สุดแห่งวินิจฉัยทั้งปวงก็คือท่านก็จะวินิชฉัยเรื่องของอามาศเนี่ยเป็นบาทหนึ่งเทียบกับเงินไทยก็นในตอนสุดท้ายนี่ท่านก็กล่าวหลายในมากเลยนะกล่าวถึงเท่ากับทองหนักยี่ิเม็ดเปลือบ เป็นราคาบาทหนึ่งก็มีสตุรัฐของราคาเท่าราคาของทองหนัก20เม็ดเท่าเปลือกนี้ก็เป็นประชิดบางฑิตท่านก็เอาตรงนี้หรือว่าบาทหนึ่งเท่ากับเป็นเงินห้าสดึงในสยามประเทศเมืออ่อพศประมาณ 2,385 ประมาณ165ปีมาแล้วนะ บางในนี่ท่านก็เอาทองที่ไล่แล้วรับจากโทษอุตมะดีมีน้ำหนักห้ากรัมสิบหกหนักซึ่งเป็นเงินห้าสลึงในสยามประเทศในขณะนั้นเมื่อปศสองพันสามร้อยแปดิบห้าร้อยหกสิบห้าปีมาแล้วเนี่ยนะหรือว่าบางในก็เอาคิดเป็นทองคำราคาสองสลึงเฟื้องเงินไทยเป็นบาทหนึ่งในทินนาธานเนี่ยนะ มันก็มีหลายในในอุตราวิณิชัยดีกาเอาทองหนักยี่สิบเม็ดทับเปลือกห้ากล่อมคิดเป็นสิบหกหนักเป็นเงินสองสลึงเฟื้องในสยามประเทศเป็นบาทหนึ่งในทินาทานึิคาบท ม, มีหลายในใตจจอมัตรฐานนี่ท่านก็บอกว่าวิธีทำก็คือว่าให้เอาทอง ทองบาทหนึ่งเงินบาทหนึ่งทองแดงสองบาทเอาทองเอาเงินแล้วก็เอาทองแดงรวมกันเสร็จแล้วก็เป็นยี่สิบบาทตกเป็นสี่บาทแล้วก็เอาน้ําหนักมาส่วนหนึ่งเป็นบาทหนึ่นนงส่วน ท, ที่สี่แห่งมีรักะาหาปณะแล้วมันก็เอาส่วนที่สี่มาก็คือน้ําหนักของนา สี่ของนิรกาปนะต่อไปก็แลอวหารอาวหารก็คือการรักเนี่ยอาการที่จะรักนั้นพึงรู้โดยบาลีหกบทดังนี้ก่อนคืออาดิยณะอย่างหนึ่งหรือว่าอาดิยยะเนี่ยนะถือเอาหารณะอย่างหนึ่งนำไปอวหารณะแล้วก็อิริยาปะทะวิโกปะณนะให้จริตสมเด็ม ฐานาจาวนะหรือว่าฐานาจาวิยะเนี่ยทำให้เคลื่อนจับฐานสังเกตวีตินามนะอธิบายในบททั้งหกนั้นตามอัตถกถาดังนี้อาดิยณนะหรือว่าอาดิยยะนั้นว่าถือเอาและใ่พิกจุโจทฟ้องร้องเอาสวนไรนาที่ดินของผู้อื่นว่าเป็นของตนต้องระบัดทุกกฎไม่ต้องปฏิจตีด้วยมุสาวาเพราะว่าเป็นบุพพโยกแห่งอธินาทาน ครั้นเจ้าของสงสัยว่าเราจะได้หรือไม่ได้ทิศตุนั้นต้องถุนละใจครั้นเจ้าของปรองธุระว่าจักไม่เป็นของเราแล้วทิศตุก็ปรองธุระจักไม่ให้แล้วจึงเป็นปาราชิปถ้าทิกตุยังคิดจะให้อยู่เป็นแต่แสดงอนุภาพให้กลัวก็ดีหรือเจ้าของยังไม่ปรองธุระก็ยังรักษาอยู่ก่อนต่อเมื่อใดปรงธุระลงทั้งสองข้างทิศตุ ก็จักไม่ให้เจ้าของก็ว่าไม่ได้แล้วจึงเป็นปาราชิกนี่ก็ฐานะแรกนะอาหารแรกเรียกว่าอาดิเยยะคือเอาข้อที่สองก็คือหรณะนั้นว่าเอาไปหรือว่านำไปได้แก่พิจุช่วยนำของแห่งผู้อื่นไปด้วยศรีรษะเป็นต้นครั้งมีเถยจิตคิดจะลักจัต้องลูกคำของอยู่บนศรีรษะนั้นต้องทุกข์กด ทำให้ของนั้นไหวไปมาอยู่บนศรีรษะต้องถูดจใจลงของนั้นลงมาที่บาต้องปราชิดกำหนดศีสษะนั้นก็คือข้างหน้าเพียงหลุมคอข้างหลังเพียงท้ายผมตกข้างทั้งสองเพียงหมวกหูตีกตุเลื่อนของลงมาจากศีสษะไม่ให้พ้นศรีระเลยพอพ้นเขตศรีรษะที่กำหนดไว้ก็เป็นปราชิดถ้ายกขึ้นพอพ้นศรีรษะเส้นผมหนึ่งก็เป็นปราชิดเหมือนกัน ของแบกบนบาและกระเดียดด้วยสเสลที่อยู่โดยมือ <c oughs> ก็ให้วินิจฉัยเหมือนของอยู่บนศีรษะนั้นเถิดเคลื่อนจากฐานที่ตั้งมาไว้บนศีรษะหรือว่าบนบาบนสเอลเมื่อไรก็ต้องประราชิตอาการที่สามเรียกว่าอาวหารณะหมายถึงการเอาลงได้แก่พิกสุรับของฝากเอาไว้ครั้นเจ้าของมาทวงพิสุกแกล้งกล่าวเพี้ยนคาว่าข้าไม่ได้รับไว กราวดังนี้ด้วยเถยจิตต้องทุกกดทำให้เจ้าของเกิดความสงสัยว่าจะได้คืนหรือไม่ได้คืนต้องอบับทุนลดใจครั้นเจ้าของโปร่งธุระภิกษุก็ปร่งธุระทั้งสองข้างดังกล่าวแล้วในอาดิยนะนั้นภิกษุนั้นก็เป็นปราชิกอาวาหารณะนี่ก็หมายถึงว่ายักยอ่เอเขาฝากของไว้แล้วก็ไม่ให้คืนมาทวงแล้วไม่ให้คืนอย่างนี้ก็เป็นปราชิกเรียกว่า อวะารณะต่อไปอิริยาปถวิโกปณะนะนั้นว่ายังอิริยบทใ้กำเริบได้แก่พิจุมีเถรยจิตทิจฉลักษ์พาของกับทั้งคนผู้นำของไปด้วยและไล่คนผู้นำของไปนั้นให้ยกเท้าทีแรกก้าวไปตามประสงค์แห่งตนต้องถูดใจไล่ให้ยกเท้าที่สองก้าวไปอีกต้องปา ร, ราชิตเอาของเท้าเท่านั้นเองเท้าแรก เคลื่อนไปก็ต้องถุด้ใจ ท, ท้ายสองเคลื่อนไปพ้นจากที่เหยียบก็ต้องฟ้าราชิกต่อไปอาการที่ห้าคือฐานาจาวะหรือว่าฐานาจาวยะว่าให้เคลื่อนจากที่ไปให้เคลื่อนจากที่ไปได้แก่พิกจูคิดจะลักของที่ตั้งอยู่บนโบกในน้ําในที่แห่งใดแห่งหนึ่งนั้นจับต้องรูปกรรมของนั้นเป็นทุกข์กฏทําให้ของนั้นไหวไปมาอยู่ในที่เป็นถุด้วยใจ ทั้งของนั้นให้เกลื่อนจากฐานเป็นปา ร, ราชิกก็แลกําหนดฐานที่ตั้งนั้นดังนี้ถ้าของนั้นเป็นหม้อตั้งอยู่ในน้ําในโคลนมีฐานหกคือปากข้างบนแห่งหนึง่งก้นหม้อที่ถูกพื้นแห่งหนึง่งข้างทั้งสี่สี่แห่งเป็นหกแห่งด้วยกันรั้งมาข้างหน้าให้ส่วนห ม, ม้อที่ถูกพื้นข้างนู้นฝนส่วนหม้อที่ถูกพื้นข้างนี้เส้นผมหนึ่งก็ดี หรือเสือกไปข้างหน้าให้ส่วนหม้อตั้งนี้ผลส่วนหม้อที่ถูกพื้นข้างโน้นเส้นผมหนึ่งก็ดีหรือชักไปข้างซ้ายให้ส่วนหม้อที่ถูกพื้นข้างขวาผลส่วนหม้อที่ถูกพื้นข้างซ้ายไปเส้นผมหนึ่งก็ดีหรือชักมาข้างขวาให้ส่วนหม้อที่ถูกพื้นข้างซ้ายผลส่วนหม้อที่ถูกพื้นข้างขวาเส้นผมหนึ่งก็ดีหรือยกขึ้นให้ก้นหม้อผลพื้นตักแต่ว่าเส้นผมหนึ่ง หรือกดหม้อให้จมลงไปให้ปากหม้อพ้นส่วนที่ก้นหม้อถูกพื้นลงไปเส้นผมหนึ่งก็ดีดังนี้ชื่อว่าให้เคลื่อนจัดฐานเป็นปาราชิกให้พึงรู้จักฐานที่ตั้งแห่งของทั้งปวงดังนี้ของตั้งอยู่ในที่ทั้งปวงบางสิ่งมีฐานเดียวบางสิ่งมีสองฐานบางสิ่งมีฐาน3าบางสิ่งมีฐานสี่บางสิ่งก็มีฐานห้าถ้าเป็นเงินอยู่ในหม้อติ๊กตุเอาภาชนะตักเอา หรือเอามือกำรรเอาก็ดีเงินที่อยู่ในภาชนะและในมือนั้นขาดไม่ติดกับเงินที่อยู่ในหม้อแล้วถึงยังไม่ยกขึ้นก็เป็นประราชิตถ้าของนั้นมาอยู่ในภาชนะที่เอาเข้าไปตักหรือว่าอยู่ในมือที่กำรรขาดจากกันแล้วไม่ติดเนื่องกันก็เป็นประราชิตยังไม่ต้องทันยกขึ้นอาการที่หกก็คือสังเกตวีตินามะนั้นว่าล่วงสังเกตหรือว่าล่วงเขต ได้แก่ด่านขนอนที่พระเจ้าแผ่นดินตั้งไว้ในระหว่างเขาขาดและท่าน้ำประตูบ้านอันใดอันหนึ่งว่าผู้ใดเข้ามาในที่นี้ให้เรียกเอาค่าด่านขนอนภิกษุไปถึงด่านขนอนเช่นนั้นคิดจะไม่ให้ค่าด่านขนอนมีเถรยจิตจับต้องรูปคำพันดักที่ตนเอาไปควรค่าด่านขนอนบาทหนึ่งนั้นต้องทุกกด ยกเท้าที่แรกข้ามด่านขนนอนไปเป็นถุรใจยกเท้าที่สองข้ามไปอีกเป็นปาราชิกอันหนึ่งพิสูจเข้าไปในที่เป็นบริเวณเป็นต้นได้เห็นพันดะแองผู้อื่นที่น่ารักและกำหนดประตูห้องหรือว่าหน้ามุกเป็นต้นแห่งหนึ่งแห่งใดไว้เป็นที่สังเกตแล้วคิดว่าในระหว่างนี้ถ้าเจ้าของเขาเห็นเราจะทาเป็นหยิบขึ้นชมเล่นแล้วจะคืนให้เขาผู้เป็นเจ้าของ ถ้าเจ้าของไม่เห็นเราจะลักเอากำหนดดังนี้แล้วก็พาของนั้นเดินไปยกเท้าทีแรกก้าวข้ามประตูห้องเป็นต้นที่สังเกตไว้ต้องรูกใจยกเท้าที่สองก้าวไปอีกต้องตาราชิดดังกล่าว น, นี้ก็ชื่อว่าร่วงสังเกตเหมือนกันก็คือร่วมเขตนั่นเองแต่ว่ามีปริกำอันหนึ่งอาวาหารคือการลักพระอาจารย์ตั้งไว้ว่ามีอยู่ยี่สิบห้า จัดเป็นหมวดหมวดห้าหมวดดังนี้จัดเป็นห้าหมวดหมวดนะห้าก็เลยกลายเป็นยี่สิบห้าปัญจกะห้าปัญจกะด้วยกันก็คือนานาพันดะปัญจกะหมวดหนึ่งของต่างๆกันเอกพันดะปัญจกะหมวดหนึ่งนี้ของอย่างเดียวกันสาหัติกะปัญจกะหมวดหนึ่งมีการใช้มือทำเองเป็นต้นสาหติกะ ปุปพระประโยคระปัญจกะหมวดหนึ่งแล้วก็เถริยาวะาหารปัญจกะหมวดหนึ่งก็แลนาน า, นาพันฑะปัญจกะนั้นว่าหมวดแห่งการละห้ามีของต่างๆเป็นที่กำหนดคือจะมีชื่อหาชื่ออาดิยณนะอานิยนะอารณะนะอาวะ า, ารณะยุริยาปะสาวิโกปณะนะแล้วก็ฐานาจวนณะเมื่อคู่นี้ก็กล่าวถึงอวาหานก็มีห้าอย่างนี้ด้วย มาดูรายละเอียดอ่ดินะโจทย์เอาของมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณของเขาหนึ่งแต่โจดของเขาหารณะก็คือช่วยนําเอาของที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณของเขาไปหนึ่งอวะหารณะก็คือบิดเพี้ยนเอาของที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณที่เขาฝากไว้ไปหนึ่ง เอริยาปะาวิโกปะนะทำเอริยาบทแองคนผู้นำของไปให้กับเริ่บนึงฐานาจาวะทำของมีวิ ญ, ญญาณและไม่มีวิ ญ, ญญาณให้เคลื่อนจากฐานหนึ่งอวหารห้าหมวดนี้ชื่อว่านาน า, นาพันณะปัญจกะเพราะกำหนดด้วยของต่างๆคือของที่มีวิ ญ, ญญาณและไม่มีวิ ญ, ญญาณวินิจฉัยพิจารดาให้ถึงรู้ดังกล่าวมาแล้วในบททั้งหกขัางต้นนั้นเถิดก็คืออวหารหกอย่างขั้แรก เหมือนกันเท่แต่ว่าของนี้เป็นของมีวิญญาณด้วยและไม่มีวิญญาณด้วยต่อไปก็แลเอกพันดะปัญจกะนั้นว่าหมวดห้าแห่งการลักมีของสิ่งเดียวเป็นที่กำหนดคืออดิยณะโจดเอาของมีวิญญาณคือธาตและสัตว์ของเลี้ยงของเขาหนึ่งฮารณะช่วยนาเอาทาตและสัตว์ของเลี้ยงของเขาไปหนึ่ง อวหารณะบิดเพี้ยนเอาธาตุและสัตว์ของเลี้ยงที่เขาฝากไว้หนึ่งอิริยาประสาวิโกปณ ะ, ะทำอิริยาบทแห่งธาตุและสัตว์ของเลี้ยงของเขาให้กำเริบหนึ่งฐานาจาวะทำธาตุและสัตว์ของเลี้ยงของเขาให้เคลื่อนจากฐานหนึ่งห้านี้ชื่อว่าเอกพันฑะปัญจะกกำหนดด้วยของมีวิญญาณสิ่งเดียววินิจฉัยโดยพิธาดาดังกล่าวแล้วในก่อนนี่ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่า เป็นสิ่งที่มีวิญญาณเป็นสัตมีชีวิตหรือว่าเป็นมนุษย์ก็แล้วแต่ก็แลสาหัสิกะปัญจิกะนั้นว่าหมวดแห่งการลักถ้ามีลักด้วยมือตนเป็นเบื้องต้นก็คือสาหัสิกะหนึ่งอนัตติกะสองนิสักิยะสามอัตสาต ก, กะสี่แล้วก็ธุระนิเขปะเป็นที่ห้า นั่นิกะก็รับด้วยมือตนเองอนัติกะก็ใช้คนอื่นลักนิสกิยะก็กว้างหรือว่าโยนไปอัตตะสาธิกะก็หมายถึงว่ามีเนื้อความมันสําเร็จประโยชน์ธุระนิเสปะก็ทอธุระนา่นอธิกะนั้นว่าการรักเกิดด้วยมือตนเองคือสิตุลักของที่ตั้งอยู่บนบกในน้ําและที่ใดที่หนึ่งเป็นของผู้อื่นด้วยมือตนเองก็เรียกว่าสาหธิกะ อนัตถิกะนั้นว่าการรักเกิดด้วยบังคับคือพิจูบังคับให้พิจุอื่นลักว่าท่านจงรักของสิ่งนี้ผู้บังคับต้องทุกข์กดในขณะบังคับผู้จะรักสําคัญว่าของสิ่งนั้นก็ดีสําคัญว่าของสิ่งอื่นก็ดีและลักได้ของตามบังคับดังนี้เป็นประาชิกทั้งสองก็คือทั้งผู้ลักและก็ผู้บังคับถ้าผู้ลักสําคัญว่าของนั้นก็ดีสําคัญว่าของอื่นก็ดี และรักได้ของอื่นจากของที่กําหนดนั้นดังนี้ผู้บังคับไม่เป็นประราชิกเพราะว่าผิดสังเกตไปใช่ไหมเป็นแต่ผู้รักอันหนึ่งดังพิกสุผู้อาจารย์บังคับพุทธรักขิต่าว่าท่านจงบอกธรรมรักิตให้บอกแก่สังรักิตให้รักของชื่อนี้ดังนี้ต้องทุกกฎในขณะบังคับพุทธรักิตไปบอกธรรมรักิตก็ต้องทุกกดธรรมรักิตไปบอกสังรักิต สังครกิตรับจะรักอาจารย์ผู้บังคับเดิมต้องถอดใจเลยนะถ้าบอกถึงคนสุดท้ายคนสุดท้ายก็รับแล้วเดี๋ยวผมจะไปรักเองอาจารย์คนที่ใช้คนแรกก็ต้องถอดใจสังครกิตรับของนั้นได้ตามบังคับดังนี้ต้องปาราชิดด้วยกันทั้งสี่รูปเลยเพราะว่าร่วมมือกันถ้าผุ้ธรกิตข้ามธรรมรักิตรเสียไปบอกสังครกิตสังครกิตก็รับได้ตามกําหนดดังนี้ อาจารย์ผู้บังคับเดิมไม่เป็นประราชิกเพราะวาผิดสังเกตบอกให้ไปบอกกันตามลำดับแต่พุทธรักิตก็ข้ามธรรมรักิตไปไปบอกสังข ร, ร, รักิตเลยอาจารย์ผู้บังคับเดิมก็ไม่เป็นประาชิกเป็นแต่พุทธรักิตผู้บังคับรองและสังข ร, ร, รักิตผู้รักเท่านั้นส่วนธรรมรักิตก็ไม่รู้อีโนอีเนอะไรก็เลยค้นไปติ๊กตู่บังคับผู้อื่นให้รักแล้วมีความวิปฏิสารร้อนใจห้ามเสียให้ได้ยิน ผู้รับบังคับจะรักนั้นไม่ฟังคือรักดังนี้ผู้บังคับไม่เป็น parasik เป็นแต่ผู้รักเท่านั้นอันนี้ก็ชื่อว่าอนัตติกะใช้ให้ตัวรักก็แลนี้สัติยะนั้นว่ารักด้วยการซักกว้างของไปคือปิกตุกําหนดที่ไว้มีประตูห้องเป็นต้นว่าภายในห้องนี้ถ้าเจ้าของเห็นเราจะทําเป็นชมเล่นถ้าเจ้าของไม่เห็นเราจะลักเอา ร้านเจ้าของไม่เห็นก็ขว้างข้ามประตูห้องออกมาถ้าของนั้นจะพ้นประตูห้องได้เป็นแท้พอของนั้นหลุดพ้นจากมือก็เป็นปาราชิปอันหนึ่งพิจูไปถึงด่านขนอนเอาของที่จะต้องเสียค่าด่านขนอนโยนข้ามขนนไปถ้าของนั้นจะพึงตกในภายนอกได้เป็นแท้พอหลุดจากมือก็เป็นปาราชิกดังนี้ชื่อว่านิสักียะขว้างไปละไป ก็แลอัตตะสารตกะนั้นว่ายังอัตตะให้สําเร็จก่อนแตการลักได้แก่พิกจูบังคับพิจูว่าท่านอาจลักของสิ่งนี้ของผู้นู้นได้เมื่อไรท่านจงลักเมื่อนั้นเถดนิดดังนี้ถ้าผู้รับบังคับนั้นคงไม่มีอันตรายในระหว่างแต่ลักได้เป็นแน่ผู้บังคับเป็นปาราชิกในขณะบังคับผู้ลักเป็นปาราชิกในเวลาที่ลักอันหนึ่งพิจูเอารองเท้าเป็นต้น อันจะดื่มน้ำมันครบราคาบาทหนึ่งได้ทิ้งลงในหม้อน้ำมันของผู้อื่นพอรองเท้าหลุดจากมือก็เป็นปาราชิกอย่างกลามานี้ชื่อว่าอัตสาธธกะให้สำเร็จประโยชน์ก่อนจะการรักเลยนะเป็นอบัตก่อนได้ของนั้นมาเพราะว่าจะต้องได้แน่นอนธุระใิเขปะนั้นว่าสำเร็จเป็นการรักด้วยปงธุระดังพิจุโจรเอาที่สวนเป็นต้น และของผู้อื่นฝากไว้เจ้าของเขามาทวงไม่ให้ก็ดีและของยืมเขามาหรือของเป็นพันธะไทยคือของใดๆที่พิตุทำของเขาเสียหายจะต้องใช้คืนให้แก่เจ้าของครั้นเจ้าของเขามาทวงไม่ให้ดังนี้ก็เป็นประราชิบเพราะปรองธุระด้วยกันทั้งสองข้างดังได้กล่าวแล้วอย่างนี้ชื่อว่าธุระนิเคตะห้าบทนี้ชื่อว่าสาหัติกะปัญจกะ หมวดห้ามีสาหะทิกะเป็นต้นก็คืออะไรสาหะิกะอานัตติกะอนิสติยะอจตสาทะกะและกัทุระในเขปะต่อไปก็แลปุพพะประโยคะปัญจกะนั้นว่าหมวดแห่งการรักห้ามีประโยคก่อนเป็นเบื้องต้นปุพพะประโยชน์คะนี่ก็ประโยคก่อนละละหะประโยคก็เป็นไปพร้อมกับการรักสังวิธานวหานอันทีสาม แล้วก็สังเกตรกรรมมันที่สี่มีมิตรกรรมมันที่ห้าปุพพประโยคนั้นว่าการลักมีประโยคก่อนได้แก่อนัตติกะบังคับให้ผู้อื่นลักของของเขาดังกล่าวแล้วในอนัตติกะนั่นแหละชื่อว่าปุพพประโยคน์นะก็มีการบังคับก่อนมาให้ไปรักเพราะความบังคับนั้นเป็นประโยคก่อนแต่ประโยคแห่งผู้อื่นรับบังคับ จะถือเอาของการบังคับหรือการสั่งนั่นแหละเป็นบุพพโยคก็มีอบัดแล้วล่ะต้องบรรทุกกก่อนแหละสหประโยคนั้นว่าเป็นอวหารการลักพร้อมด้วยประโยคที่ถือเอาของก็ได้แก่พิสุทาของในน้ําในบกเป็นต้นให้เคลื่อนจากฐานและปักหลักเป็นต้นให้เกินที่ไร่นาของเขาไปด้วยมือของตนก็เป็นปาราชิกอันนี้ชื่อว่าสหาประโยคเพราะสําเร็จ เป็นการลักพร้อมด้วยประโยคที่ทำของเขาให้เคลื่อนจากฐานจะเป็นอบัตตอนที่ทำให้เคลื่อนเรียกภาษาประโยคเป็นไปพร้อมกับการกระทำต่อไปสังวิทาวหานั้นว่าเป็นอันลักด้วยกันทั้งหมดด้วยชักชวนกันไปลักคือปิจตุมากโดยการชักชวนกันจะไปลักสิ่งใดแล้วแม้แต่องหนึ่งลักของสิ่งนั้นได้ก็เป็นปาราชิกด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อชักชวนกันไปก็ คนหนึ่งรับได้ก็เป็นอบัตทั้งหมดสังเกตกรรมนั้นว่าทําสังเกตคือดพิสูบบังคับพิสูุด้วยกําหนดการมีเวลาเช้าเป็นต้นว่าท่านจงรับของสิ่งนั้นในเวลาเชา้าและผู้รับบังคับไปรับได้ในเวลาเช้าตามกําหนดดังนี้เป็นป ร, รารชิกทั้งผู้ใช้ทั้งผู้รับถ้าผู้รับบังคับไปรับในเวลาอื่นมีเวลาเย็นเป็นต้นผิดสังเกตผู้ใช้ไม่เป็นป ร, ราชิก ้แต่ผู้รักผู้เดียวก็คือใช้ไปรักตอนเชา้าแต่ว่าผู้ที่ไปรักไปรักตอนเย็นอันนี้ผู้ใช้ก็ไม่เป็นอวบแต่ผู้รักอย่างเดียวอย่างนี้ชื่อว่าสังเกตกรรมเพราะเป็นอวหารแก่ผู้ใช้ตามที่ทําสังเกตก็แลนิมิตกรรมนั้นว่าทํานิมิตมีขยิบตาเป็นต้นได้แก่พิกูจนบังคับว่าท่านจงรักในขณะเราขยิบตาหรือว่าพยักหน้าดังนี้ ผู้รักก็รักในขณะขยิบตาและพยักหน้าแห่งผู้บังคับนั้นเช่นนี้เป็นปาราชิกทั้งผู้รักทั้งผู้บังคับถ้าผู้รักไปรักแต่ก่อนหรือว่ารักที่หลังขยิบตาพยักหน้านั้นผู้บังคับไม่เป็นปาราชิกเป็นแต่ผู้รักผู้เดียวเช่นนี้ชื่อว่านิมิตกรรมเพราะเป็นอวหารแก่ผู้ทานิมิตด้วยผู้รักรักถูกตามกาหนด ห้าหมวดดังกล่าวนี้ชื่อว่าปุปพหะปะโยคะปัญจกะต่อไปก็แลเถยาวหานปัญจกะนั้นว่าหมวดแห่งการลักห้ามีเถยาวหานเป็นต้นก็คืออันที่หนึ่งก็เถย y วหานอันที่สองปไซหาวหานอันที่สามปริกบปาวหานอันที่สี่ปติฉนนาวหานอันที่ห้ากุษาวหานเป็นห้า เทยวหานานั้นรักด้วยความเป็นขโมยดังพิตุตัดที่ต่อมีฝาเรือนเป็นต้นย่องเบาไม่ให้เจ้าของเห็นถือเอาก็ดีหลอกลวงเขาด้วยตาช่างเกียรทนานโกงและเงินทองแดงจะ ก, กัวเป็นของปลอมเป็นต้นดังนี้ย่อมเป็นป ร, ราชิกอย่างนี้เรียกว่าเทยวหานก็ปไสหาวหานานั้นว่าคมเหงรักเขา ได้แก่พิจูดข่มเหงกดขี่แย่งชิงปล้นเอาของผู้อื่นดังโจรปล้นบ้านเป็นต้นและถือเอาตุยอากรเกินประ่วนที่ถึงแก่ตนดังราชธรรมเรียกเอาตุยอากรเกินพิการตรดีดังนี้เป็นป ร, รารชิกเรียกว่าปะใสหาวหานบริกัรมปาวหานนั้นว่าเป็นอันรักตามกําหนดบริกัปรปาวหานนั้นจะมีสองอย่างก็คือกําหนดของอย่างหนึ่งเรียกว่า พันดับปริกั์กำหนดโอกาสอย่างหนึ่งก็เรียกว่าโอกาสปริกั์กำหนดของนั้นก็คือพันดับปริกั์ดังนี้ที่สุต้องการจะลักผ่าสาดก็ลอบเข้าไปในห้องเวลากลางคืนกําหนดว่าถ้าเป็นผ้าเราจะเอาถ้าเป็นได้เราไม่เอาแล้วยกกระสอบขึ้นถ้าแลงในกระสอบนั้นเป็นผ้าสาดตกไปก็เป็นป ร, ราชิกในขณะยกขึ้น ถ้าเป็นได้ใจยังไม่เป็นปาราชิกเพราะว่ามีการกำหนดเอาไว้ก่อนครั้นเอาออกมาข้างนอกแก้กระสอบออกดูรู้ว่าเป็นได้แล้วกลับเอาเข้าไปวางไว้อีกยังรักษาอยู่ก่อนเพาะตนเองมีประการไว้ว่าถ้าเป็นผ้าถึงจะเอาเป็นได้ไม่เอาแม้รู้ว่าเป็นได้แล้วคิดว่าเราได้สิ่งใดสิ่งนั้นจําจะต้องเอาแล้วพาเดินไปให้วิเนทอนพึงกลับอาบัดด้วยปะดะวาระก็คือการย่างเทา้า คือยกเท้าที่หนึ่งระบาดถุลใจยกเท้าที่สองก็ป ร, ราชิกถ้าวางลงที่พื้นแล้วกลัดถือเอาอีกพอยกขึ้นก็เป็นป ร, ราชิกเลยถ้าเจ้าของเขาร้องว่าโจรโจรแล้วไล่ตามไปทิสุทิ้งของเสร็จแล้วหนีไปก็ยังรักษาอยู่ก่อนถ้าเจ้าของเขาเห็นเขาถือเอาของเขาไปก็ยังรักษาอยู่ถ้าคนอื่นเอาของเขาไปใช้เป็นพันดัไทย ท่าเจ้าของกลับแล้วทิ้งตุเอ็นเข้าเองจึงถือเอาด้วยปังสุกุลสัญญาและด้วยคิดว่าของนั้นเราถือเอาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเป็นของเราแม้ดังนี้ก็เป็นพันดัไทยยังไม่ประชิดเพราะว่ามีความสำคัญว่าเป็นของเราอยู่กำหนดว่าเป็นผ้าเราจะเอาดังกล่าวมานี้แหละชื่อว่าพันดัตประดับก็คือกำหนดของก็แล้วโอกาสประดับ กำหนดโอกาสนั้นก็คือกำหนดประตูห้องและหน้ามุกเป็นต้นดังกล่าวแล้วในสังเกตวีตินามะนั้นกำหนดสิ่งของหรือว่าโอกาสสองดังนี้แล้วและและักนี้แลชื่อว่าปริกับปาวหารมีกำหนดก็แลปฏิดฉันนาวหารนั้นปกปิดไว้แล้วและและักให้พึงรู้ดังนี้ทิกตูได้เห็นของผู้อื่นมีแหวนเป็นต้น เขาถอดวางไว้ในสวนเป็นต้นถือเอาปุ่นหรือว่าใบไม้ปิดไว้ด้วยคิดว่าภายหลังเราจะถือเอาเท่านี้ยังไม่เป็นอันยกขึ้นเพราะเหตุนั้นยังไม่เป็นอาหารก่อนก็คือยังไม่ประราชิกกัากลบไว้ปิดไว้ครั้นการใดเจ้าของมาค้นหาไม่เห็นแล้วเขามีอะไรอยู่ว่าพรุ่งนี้เราจึงจะรู้แล้วกลับไปบ้านทีนั้นพิสุมายกของนั้นขึ้นพอยกขึ้นก็เป็นอาหารก็คือเป็นประราชิก ท้าพิจูนั้นถือเอาด้วยสกะสัญญาก็คือสําคัญว่าของนั้นเป็นของเราแต่ครั้งที่เราปิดไว้แล้วถือเอาด้วยปังสุกุญลสัญญาสําคัญว่าเจ้าของเขาไปแล้วเขาทิ้งของนี้เสียแล้วอย่างนี้เป็นพันดัไทยถ้าเข้าใจว่าเป็นของตนแล้วก็ถือเอามาเนี่ยก็เป็นพันดัไทยหรือว่าเข้าใจว่าเจ้าของเขาทิ้งแล้วถือเอาด้วยบังสุกุลสัญญาก็เป็นพันธัดไทยเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็ ไปปิดเอาไว้เองมียาบัตทุกกฎก่อนละไปทาอาการไม่ดีไว้แม้ในวันที่สองเจ้าของเขามาค้นหาไม่เห็นเขาทอดธุระเสียจแล้วกลับไปทิกตุมาถือเอาก็เป็นพันธะไทยเหมือนกันภายหลังเจ้าของเขารู้เขามาทวงทิกตุไม่ให้เจ้าของปลงธุระก็เป็นอาหารแก่ทิจตุคือต้องประราชิตเพราะว่าของนั้นเจ้าของหาไม่เห็นด้วยประโยคแห่งทิจตุ ก็แลพิจุไม่ปิดของเช่นนั้นของวางอยู่ตามที่มีทยัยจิตเอาเท้าเหยียบไว้ให้จมลงไปในโคลนหรือว่าในใจเพราะของจมลงไปพ้นฐานเดิมก็เป็นอวหารอยู่เป็นประราชิกนั่นเองดังกล่าวมานี้ชื่อว่าปฏิชันนาวหารถึงการต้องอับัตโดยที่ปิดบังปกปิดเอาไว้กลบเอาไว้ก็แลกุษาวหารนั้นว่าการลักด้วยการเปลี่ยนสลาก ไห่พึงรู้โดยในนี้พิษตูไดเห็นสลากเขาทําด้วยตอบหรือว่าใบลานเขาเขียนชื่อพิษตูไ้ด้วยแล้วทอดไว้ในผ้าเป็นส่วนๆแจกกันอยู่เธอปรารถนาจะยักส่วนของผู้อื่นที่มีราคาน้อยหรือมากหรือมีราคาเท่ากันซึ่งวางอยู่ใกล้ส่วนของตนเธอยกศานาของตนขึ้นโดยปรารถนาจะวางไว้ในส่วนแห่งผู้อื่นก็ยังรักษาอยู่ก่อนวางสลากของตนลงในส่วนผู้อื่นเล่า ก็ยังรักษาอยู่ก่อนต่อเมื่อใดยกสดาผู้อื่นขึ้นจากตัวนผู้อื่นพอยกขึ้นก็เป็นอวหารต้องประชิดถ้าหากว่าพิจุยกศดาตัวแห่งผู้อื่นก่อนด้วยปรารถนาจะวางลงในตัวนของตนเล่าไซเมื่อยกขึ้นยังรักษาอยู่ก่อนเมื่อวางลงก็ยังรักษาอยู่ครั้นยกศดาของตนขึ้นจากส่วนของตนเมื่อยกขึ้นยังรักษาอยู่ นั้นยกขึ้นแล้ววางสลาของตนลงในตัวแห่งผู้อื่นพอพ้นมือก็เป็นอวหารเป็นประชิกอาการที่รักอย่างนี้แลชื่อว่ากุศาวหารห้าหมวดนี้ชื่อว่าเถยยาวหารปัญจกะในห้าปัญจกะเป็นอาการละห้าละห้าจึงเป็นอวหารยี่สิบห้าโดยพิย่ดารตามอัตฉริาก็แลนาน า, นาพันธปัญจกะ กับเอกพันธะปัญจกะไม่แปรกันนะถ้ายกเอาพันธะปัญจกะเสียคงอวหารยี่สิบเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเป็นวัตถุที่แตกต่ตางกันก็คือมีวิญญาณแต่ไม่มีวิญญาณเนี่ยเรียกว่านาณ า, าพันธะปัญจกะแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่มีวิญญาณอย่างเดียวก็เป็นเอกพันธะปัญจกะเพราะฉะนั้นถ้ายกเอกพันธ ะ, นะปัญจกะออกเสีย เพราะว่าเหมือนกันก็คงอวหารเหลือยี่สิอันหนึ่งสหประโยคกับสาหติกะบุคพระประโยชนกับอาณติกะก็ไม่แปรกันนักถ้าผสมเป็นอันเดียวกันเสียคงอวหารสิบแปดเท่านั้นอันหนึ่งอาริยณะกับอวหารณะกับธุระนิเคปะก็ไม่แปรกันนักถ้ายกธุระนิเคปะเสียได้อวหารสิบเจ็ ถ้างคงธุรานิเคปะไว้ยกอาริยณะกับอวหารณะเทียก็ได้อาหารสิบกอันหนึ่งที่สุคิดจะไปลักทรัพย์ของผู้อื่นในบุพพะประโยคทั้งปวงตั้งแต่เดินไปเป็นต้นก็เป็นอาบัตทุกกรทุกทุกประโยคจับต้องลูกคำก็เป็นทุกกฎตามทรัพย์ที่เป็นวัตถุแอ่งา ร, ราชิกให้ไหวเป็นถุจใจครั้นลักเอาทรัพย์มาตกหนึ่งหรือว่าหย่อนกว่ามาตกหนึ่งก็เป็นทุกกร ถ้าตรัพเกินมาตกขึ้นไปตั้งแต่ห้ามาตกลงมาเป็นทุนละใจถ้าทรัพย์นั้นห้ามาตกหรือว่าเกินกว่าห้ามาตกขึ้นไปปะเป็นประราชิษอันหนึง่งอธินาทานสิกขาบทนี้ละเอียดสุขุมนักพระอัจฉริยอาจารย์วินิจฉัยไว้โดยในวิจิตต่างๆในคัมภีสมันตะตาสาธิกาซึ่งกล่าวมานี้โดยย่อแล้วท่านสอนไว้ว่าเป็นสิกขาบทละเอียดสุขุมยากที่จะตัดสินได้ เพราะเหตุนั้นเมื่อมีผู้มาโจทพิจุด้วยอธินาทานแม้วินัยทรสอบสวนโดยอวหารประเภทเห็นว่าเป็นอวหารแล้วก็อยราเพิ่งตัดสินโดยพรันเพิ่งสอบสวนที่ห้าสถานคือวัตถุการประเภทอาคาัคะคือราคาแล้วก็บริโภคการใช้สอยดังนี้ก่อนวัตถุคือของที่พิจุลรับมาให้สอบสวนดูว่าวัตถุนั้นมีเจ้าของหรือไม่มี ถ้าว่ามีเจ้าของในเวลาเมื่อลักมานั้นเจ้าของมีอะไรหรือว่าทอดอะไรแล้วถ้าเจ้าของยังมีอะไรอยู่ให้ปลับตามราคาของถ้าเจ้าของทอดอะไรแล้วอย่าพึงปรับอาบัตตาราชิกเธอเลยฉะนั้นเจ้าของทวงเอาก็พึงคืนให้อันนี้เป็นความชอบยิ่งนี้แหละชื่อว่าสอบสวนวัตถุก็การนั้นคือคราวที่ลักของนั้นมา ด้วยว่าของน้านบางคราวมีราคาเสมอบางครามีราคามากก็ต้องดูนะว่าการนั้นเนี่ยของมีราคาเท่าไหร่จะได้มาห้ามาศกถึงจะปรับประชิกถ้าไม่ได้ห้ามาศกก็อย่าปรับก็แลประเทศนั้นคือที่ที่ลักของนั้นมาของลักมาในประเทศใดให้ปรับตามราคาในประเทศนั้นอัตคะนั้นคือราคาของที่ลักมาของใหม่ ครั้นภายหลังเก่าแล้วก็ถอยราคาก็ต้องดูตามราคานะของไม่ราคาแพงของเก่าก็ราคาน้อยลงบริโภคนั้นคือของนั้นบริโภคใช้สอยแล้วหรือยังถ้าของนั้นเขาบริโภคใช้สอยแล้วก็ถอยราคาถ้ายังไม่ใช้สอยก็ราคาก็มากนี้แหละที่ห้าสถานให้พึงสอบสวนดูก็แลจะไม่เป็นประราชิ ก, กาบัตในทิาบทนี้ก็คือพวกอนาบัตนะ ก็คือสําคัญว่าเป็นของของตัวถือเอาอย่างหนึง่งมีวิสาสะคุ้นเคยกันนะถือเอาด้วยวิสาสะอย่างหนึง่งยืมมาใช้อย่างหนึง่งของนั้นเป็นของยักษ์เปรตและเป็นของสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นของมนุษย์อย่างหนึง่งถือเอาด้วยปังสุกุลสัญญาสําคัญว่าไม่มีเจ้าของอย่างหนึง่งและทิตุที่เป็นบ้าเป็นต้นไม่เป็นอบัตพวกบ้าพวกจิตฟุง้งซ่านถูกเวทนาครอบนมแล้วก็ต้นบัญือนห คนนี้ไม่เป็นอบัติสิขาบทนี้เป็นสารนติกะเพราะใช้ผู้อื่นให้รักก็เป็นอบัติมีองค์ห้าก็คือประปริคขหิตังเป็นของผู้อื่นเป็นชาติมนุษย์หวงแหนอยู่หนึ่งประปริคขาหิตะสัญญาตาคือสําคัญรู้ว่าเป็นของผู้อื่นหวงอยู่หนึ่งครุปริคขาโรของนั้นราคาบาทหนึ่งหรือราคามากกว่าบาทหนึ่งขึ้นไปหนึ่งเถยยจิตตังจิต เป็นขโมยคิดที่จะรักอย่างหนึ่งอวหารนังรักได้ด้วยอวหารอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวแล้วหนึ่งพร้อมด้วยองค์ห้านี้จึงเป็นปาราชิปอันหนึ่งสิกขาบทนี้มีสมุดฐานสามชื่อว่าอาธินาทานสมุดฐานก็คืออาบัติเกิดแต่กายจิตหนึ่งวาจาจิตหนึ่งแล้วก็กายวาจาจิตหนึ่งเป็นกิริยาเกิดขึ้นเพราะการกระทาก็คือไปลัก สัญญาม่โมกก็คือพ้นได้ด้วยสัญญาอย่างอื่นไม่ใช่สัญญาละแล้วก็สจิตจกามีเจตนามีจิตเป็นโลกกวัชะก็คือมีโทษต่โรคติเตียนนั่นก็คือเป็นอกุศลต้องอบัต ด, ด้วยอกุศลกายกรรมวิจีกรรมทําได้ทั้งทางกายแล้วก็ทางวาจาเป็นอกุศลและจิตอย่างเดียวมีเวทนาสามสุข ก, ก็ได้ทุกข์ก็ได้อุเบกขาก็ได้ เกิดได้ด้วยอกุทนทั้งโลภะทั้งโทสะทุติยังปาราชิกังจบอันนี้ก็เป็นทุติยปาราชิกโดยย่อก็กสมควรตัวเวลาใครท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนารักษาพระวินัยเพื่อเป็นปใจใจัจจัยในการอบรมจิตตสมาธิแล้วก็วิพัสนาปัญญา พ, พุทธแจ้งอริยปัตยโดยชั่วการเทินสาธุสาธุสาธุ